พระธรรมเทศนาแผ่นที่71ดลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่29ธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าชีวิตนี้มีจุดจบ วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมพุทธศักราชสอง7ันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดหลวงพ่อได้ลงกรุงเทพตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกเย็นยี่หกเช้านะพอยี่สิบหกเย็นจะมีการไหว้พระสวดมนต์ที่สวนแสงธรรมแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดออกไปฉันข้างนอก ทาบุญวันเกิดและทาบุญผู้สูงอายุแล้วก็วันที่28ฉันอยู่ที่สวนแสงธรรมเมื่อวานนี้รู้สึกพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมอุ่นนาฝาคั่งมากกว่าทุกครั้งที่ไปสวนแสงธรรมเมื่อวานนี้แล้วก็มีกิจกรรม สามอย่างเมื่อวานเนี่ยที่หลวงพ่อประกาศในงานงานอันดับแรกก็คือวันจะสิ้นจะสิ้นปีใครใครก็ามาทำบุญสิ้นปีรับปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลเพราะวานเมื่อวานเป็นวันที่28ทธันวาคมและก็พร้อมกันก็เป็นวันนัด ของคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนจะมีการทําบุญอยู่ที่สวนแสงธรรมพุทธมนตนสายสาสายสองและสายสาพอไม่ชัดแล้วก็เมื่อวานคุณชายป๋ำกับคณ ะ, ะกรรมการสวนแสงธรรมหล่รอรูป หล่อรูปเหมือนหลวงตาอกีกเททองเพราะว่าศาลาชั้นบนที่เป็นห้องธรรมหรือห้องเก็บหนังสือธรรมะของท่านหรือห้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ห้องใหญ่พอสมควรอยู่ศาลาข้างบนแต่หลวงพ่อไม่เคยขึ้นไปเพิ่งขึ้นไปเมื่อวันวานมั น, น, น, นก่อนโอ้เป็นห้องใหญ่ยังไม่มีรูปลงยังไม่มีรูปหลวงตา เลยเมื่อวานเนี่ก็เททองรูปหลวงตาจะเอาขึ้นไปประดิษฐานบนศ า, าลาสวนแสงธรรมนะสไลชั้นบนของสวนแสงธรรมก็เลยมาเททองเมื่อวานมีกิจกรรมสามอย่างอันดับแรกก็คือตอนรับปีใหม่ทําบุญอันดับสองก็คือครอบรอบอาทิตย์สุดท้ายของเดือนอันดับที่สามก็คือเททอง องหลวงตาเมื่อวานในหลวงพ่อก็ให้มีกิจกรรมเวลาก่อนที่จะเทหลวงพ่อบอกว่าพวกเราควรจะสวดอิติปิโสเก้าจบเพื่อเป็นการเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วงหลวงตานี่ยก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกพวกเรายอมรับเพราะตัวของท่านเองท่านก็ประกาศบอกกล่าวให้ครับพวกเรา พวกเราก็ยอมรับว่าองค์หลวงตาเป็นสาวกสังโฆเพราะนั้นเราจึงสวดอิถิปิโสเกจบทำไมจึงสวดเก้าจบหลวงพ่อก็อธิบายให้ฟังว่ามรสีมรสีผลสีนิพพานหนึ่งสวดเก้าจบนะคณะนะสัตาายาติโยมเมื่อวานก็พร้อมพากันทุกคนหล่อล้อมให้เป็นน้ำหนึ่ง น้ำหนึ่งใจเดียวเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาเมื่อเราจะทเมื่อจะเราจะเททององค์หลวงตาพวกเราควรหล่อล้อมน้ำใจสวดอิติปิโสแล้วก็เพื่อเททององค์หลวงตาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขนเยอะอย่างที่ว่านะแล้วก็ก่อนวันที่วันที่27 ตอนบ่ายคณะสงฆ์ที่เป็นสิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงตาบางกลุ่มก็ได้ไปหาหรือกันเกี่ยวกับจัดสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาคือทางจังหวัดเขาก็อยากจะให้ทางฝ่ายพระสงฆ์คัดสรรสิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงตาที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการหรือว่าคณะดูแล ง, งานอะไรหลายแผนก ทางฝ่ายบ้านตากเขาก็เอาหนังสือมาไปประชุมกันหาหรือกันดูที่ศาลาสวนแสงธรมารมศาลาชั้นบนอย่างที่หลวงพ่อว่าขึ้นไปประชุมกันอยู่ชั้นบนศาลาชั้นสองที่จะประดิสถานรูปเหมือนโรงตาห้องนั้นแหละหลวงพ่อขึ้นห้องขึ้นหลวงพ่อขึ้นไปเป็นครั้งแรกขึ้นไปในห้องนั้น ไปก็ประชุมหาลรือกันก็ยังไม่ยังไม่เป็นที่ตกลงกันเพียงแต่ว่าจะคัดสรรหาคนมาทำงานแต่หลวงพ่อเองมาพิจารณาดูแล้วหลวงพ่อบอกกับในที่ประชุมว่าถึงจะหาใครก็ตามมาทำงานสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยต้องหาผู้ที่มีศรัทธา ศรัทธาคือความรักเคารพในองค์หลวงตาทุ่มเทอย่างสดชุดถ้าหากว่าได้บุคคลเช่นนี้มาร่วมกันทํางานสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตางานเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของตาขององค์หลวงตาจะสําเร็จรุ่งร่วงแล้วก็เลิศประเสริฐที่สุดเพราะสิทธิอนุสิทธิ์เต็มไปด้วยศรัทธามาร่วมกันสร้างแต่ถ้าหากว่า ต่างคนต่างมาทำเพื่ออยากจะได้หน้าได้ตาเพื่ออยากจะได้มีชื่อเสียงเท่านั้นแล้วก็มาเพื่ อ, อทำเพื่อหาผลกําไรในการก่อสร้างถึงจะสร้างไปก็ทะเลาะกันแต่ประเภทอย่างนั้นคนหนึ่งเอาเหลี่ยมหนึ่งคนหนึ่งเอาเหลี่ยมหนึ่งมางัดมาแงะมางัดมาง้างกันอยู่ทั้นแต่ถ้าหาคนที่มีศรัทธาด้วยกันนั้น เห็นมีอะไรก็ปรึกษาปารพกกันทุ่มเทอย่างสุดๆมีอะไรก็นะการหาเงินการหาเงินทำมาหาเลี้ยงชีพเราหาอย่างอื่นทำมาค้าขายอย่างอื่นทำการทำงานอย่างอื่นกินเงินเดือนอย่างอื่นตรงนี้เป็นตร ง, ตรงที่เอาบุญตรงเสียสละ การสร้างพระเจดีย์เนี่ยเสียสละเพื่อด้านจิตใจเราสั่งสมบุญบารมีเข้ามาสู่จิตใจเราไม่ต้องหวังภายนอกในเมื่อหลังหวังทรัพย์สมบัติภายนอกนู่นเราไปหาทําการทํางานอย่างอื่นเก็บหอมรอมทิบอย่างอื่นเราไม่ควรจะมามองผลประโยชน์ในการสร้างพระเจดีย์ของหลวงตา ถ้าหากว่าเรามามองอผลประโยชน์ในการสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาลอมองหาเงินมามองหาเงินคำรั์สมบัติตรงนี้นะ่ะบาปอากุศลจะเกิดขึ้นกับตัวเองได้ง่ายๆพูดสรุปแล้ว เ, เพราะเหตุไรเพราะมันจะเป็นกิจที่เป็นอักุศลมีความโลภในใจ เห็นอะไรที่จะเกิดประโยชน์ก็นะอก็พยายามเอาเอามาโลกหัวโม ก, โ ก, โกนะทีละนิดเทร ะ, ะน้อยผลที่สุเลยด้านไปเลย เ, เป็นบาปอกุศลติดตามมาทั้งที่จะเป็นบุญเป็นกุศลที่เราสร้างาพระเจดีถวายพระอรหันต์สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าต้องหาผู้มีศรัทธาถ้าผู้มีศรัทธาแล้วก็ไม่ว่าใครทั้งหมดล่ะอ มารวมกันพร้อมกับปัญญาศรัท ธ, ธากับปัญญาเออมีเป็นช่างเข้ามาด้วยแต่คนมีปัญญามีศรัท ธ, ธาแล้วก็มีเงินแล้วก็หาคนที่เป็นที่ปรึกษาได้ทั้งนั้นแหละนนก็พูดกันวันที่ย7สบเจ็ดธันวาห้าเจ็ดเวลาบ่ายที่สวนแสงธรรมอันนี้คือนัด ที่2นัดแรกก็คือประชุมกันอยู่ที่าลากลางเมื่อวานวันก่อนกันเนี่ยประชุมกันที่ว่าพระสงฆ์คัดสรรจะคัดสรรหาผู้ทํางานหาคณะกรรมการผู้ทํางานก็ <c oughs> ยังไม่ตกลงกันหรอกนัด ก, กันอีกวันที่สิบนะวันที่สิบมกราคงจะพบกันอีกมัง้งแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็บอก อยากจะให้พวกน้องๆทั้งหลายเนี่ยช่วยช่วยกันคิดกันแล้วก่านหลวงพ่ออายุกแก่มากแล้วถ้ามีอะไรมาปรึกษาก็เอือให้คําแนะนำปรึกษาไปแต่ถา้ถาการทางงานแล้วก็อยากจะให้พวกน้องๆเขาช่วยกันคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าบ้านตาดถ้าทางนอกของเราไปไก้าวไายก้าเกินมากเกินไปก่อนเนี่ยขอบงามันดูดูก็ยังไงอีกเหมือนกันนะอืม อยากจะให้ทางบันตาแสดงความสามารถประสานงานเอาอยัางไงพวกเราอยู่บางคังนอกก็มีแตการให้การสนับสนุนอย่างนั้นจะดีกว่ามากงหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนั่นแหละนี่ยละมาพูดถึงวันที่จะสิ้นปี เ, เมื่อวานหลวงพ่อก็ได้พูด พวกเราคณะสัตยาติโยมลูกหลานพระเนนทุกงแต่ละคนมีแต่ไปหน้าเรื่อยๆไม่มีเท้าถอยหลังการถอยหลังไม่มีชีวิตของพวกเรามีแต่เดินหน้าการเดินหน้านะเดินไปหาอะไรเดินไปหาหลักประหารสมมุติว่าผมเลขิดหรือว่าชีวิตของพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่พวกเราก็ไม่รู้อีกต่างหากว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยจะเป็นวันไหนเป็นวันที่สิ้นสุดชีวิตของพวกเราแต่ทุกคนมีนะถ้าว่ามีพระพุทธเจ้าหรือพระหันแตสาวกภูมิยานทัศนะรู้อดีตอนาคตท่านก็คงจะทำนายให้แต่ละคนละคนเนี่ยหลวงพ่อเอนเนอายุแปดสิบนะหรือแปดสิบห้านะท่านก็จะบอก อย่งแต่วันเกิดนะ อ, องค์นั้นคนนั้นคนนี้เอท่านก็จะบอกให้หมดทุกคนเพราะท่านมีญานธรตตะนะเพราะฉนั้นพวกเราพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องขยับเลยทีะนะี้ยเอยับขยับไปหาเลขสุดท้ายของเราขยับไปทีละน้อยละน้อยเอมันไม่ใช่มันกิดขยับเป็นวินาทีขึ่งวินาทีวินาทีนาที โช่โมองจากนั้นก็วันคืนเดือนปีไปไล่ไปเรื่อยหมดไปหมดไปผมมันไล่ไปเรื่อยขยับมันไปอย่างนั้นหละชีวิตของพวกเรานะเราจะคิดหรือไม่คิดเราจะระลึกได้หรือไม่ระลึกได้แต่ว่าชีวิตของเราจะไหลไปข้างหน้าเรื่อยไปหาไปสู่จุดจบคือไปลาไปหาหลักประหารนะ่ะถ้าจะพูดว่า หลักประหารก็ไม่น่าจะผิดนะหลวงพ่อว่านะ เ, เพราะว่าจุดจบของชีวิตคือวันมรณะภาพวันมรณะของพวกเรานะนะอันนี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คือเมื่อไปถึงจุดนัดเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมไม่ว่าสนุกไม่ว่าสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮากินเหล้าเมายา ปีใหม่ขึ้นมากันสนุกสนานลืมชีวิตของตัวเองว่าตัวเองจะถึงวันนั้นไม่น่าจะถูกเพราะฉะนั้นให้พวกเราเตรียมพร้อมทุกเรียบทุกอย่างก้าวควรจะประกอบแต่คุณงามความดีควรจะประกอบแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจแต่ถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายไม่เป็น มันก็ไม่จำเป็นจะต้องประกอบคุณงามความดีถ้าเราคิดว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องประกอบคุณงามความดีอีกเหมือนกันเพราะทาไปแล้วมันศูนย์จะเกิดประโยชน์อะไรถ้าคิดว่าในโลกสบัดสวรรค์บาปบุญคุณโทษไม่มีไม่มีอะไรศูนย์ทั้งหมดมันก็ไม่จำเป็นอีกเหมือนกัน เรามั่นใจไหมที่เราคิดอย่างนั้นเราก็ไม่มั่นใจอีกเหมือนกันในเมื่อมั่นใจเราควรจะเตรียมพร้อมไว้ดีกว่าไม่ใช่เหรอตายแล้วไม่สูนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้ายืนยันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยืนยันตายแล้วไม่สูนบาปปูนคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริ ง, รรรรงอันนี้เราก็พอจะมองเห็น มองเห็นยังไงความดีความชั่วมีในเมื่อเราอยู่ด้วยกันอย่างเนี้ยถ้าเราทำคุณงามความดีอย่างวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะต่างคนก็ต่างมีเจตนามาทำบุญทำทานแล้วก็มาฟังแต่ถ้าว่าพวกเราเนึกโมโหโกธาถือมีดไล่ฟันไล่แทงอยู่ในชุมชนกลุ่มของเราหน่อยสิอันนั้นะเป็นว่าบาปอคุณลนนะนะ่นีคิดชั่ว คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วขึ้นมาแล้วแล้วพวกเราจะทำยังไงก็ต้องลุมกัน่านจะทำยังไงจึงจะเอาให้สยบในเมื่อสยบทกนั่นแหละท่นความเจ็บปวดมันมีไหมท่อย่างน้อยก็เนนะี่ยบางทีกับปากแตกนะั่นนหะเขาก่อนที่จะขเขาจ ะ, จะ จ, ะจะจับให้อยู่ได้เสร็จแล้วก็กอนนะ้มัด แขนไผ่หลังจนกระดุกกระเดกไม่ได้นล้ว น, นะอจากนั้นก็ส่งเข้าไปห้องขังฮนะนี่แหละอันนี้จะว่ายังไงท่อนจะว่าบาปไหมจะว่ากรรมชั่วไหมจะว่าบาปใช่ไหมมันก็ต้องเป็นบาปแน่เลยไม่ใช่เป็นบุญละทำอย่างนั้นนี่แหละบาปบุญคุณโทษมีไหมเราก็มองพอมองเห็นได้ เพราะนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วจริงไหมเราถ้ามองไม่เห็นขนาดนั้นก็ไม่รู้จะว่าจะไงอีกเหมือนกันขนาดทําดีทําชั่วยังไม่รู้จักแต่ผลแห่งการทําดีทําชั่วนั้นเป็นยังไงมองไม่เห็นอีกเหรอก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมันมีในปัจจุบันและอานาคตอ่ะ อานาคตก็ต้องมีอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งมวลนะให้พวกเราท่านทั้งหลายใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดกานกรองไตรายตองแล้วอเอาหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงามาเป็นแนววิถีความคิดให้แนวความคิดสําหรับพวกเรา เราคิดตามแนวแถวของพระธรรมคำสอนและพวกเราจะจะเห็นเป็นแสงสว่างในจิตใจขึ้นเรื่อยๆในเมื่อมีแสงสว่างขึ้นมาทางจิตใจแล้วอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนผิดอันไหนถูกและปฏิบัติตนอย่างไรในเรื่องนั้นๆในสถานะของเราอยู่ที่นี้ เราจะดําเนินชีวิตอย่างของเราอย่างไรนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านนะเรีว่าปีเก่าปีใหม่วันคืนเดือนปีมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรรมันก็ผ่านไปตามเรื่องของมัน่ปีปเก่าปีใหม่แต่ถ้าว่าเราไม่ให้ความสําคัญมันก็ไม่สําคัญเอามันเพราะมันมันเป็นวันคืนเดือนปีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเมือ่อพระอ า, า, าทิตย์พระอาทิตย์ตกเมืม่อกลับเมื่อลงไป แล้วก็พระจันทร์วันเพนวันแรมมันก็เคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติของมันแต่ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญมันก็ไม่มีอะไรที่จะสำคัญแต่เราให้ความสำคัญมันก็สำคัญที่ตัวของเรานะนะี่ยนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือตัวของเราเนี่ยจะให้ความสำคัญตัวของเรามากน้อยแค่ไหนถ้าตัวของเราให้ความสำคัญในตัวของเรา ตัวของเราก็สำคัญพอระยะทำความชั่วคิดแต่ทำดีสร้างบุญกุศลตายแล้วไม่สูญแล้วปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั่งสมาธิภาวนาอบรมจิตใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิญญาณและใจของเราเนี่ยเกิดมาจากไหนเกิดมาจากตัวอวิชชา แต่วิญญาณของเราจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนมองไม่เห็นมองไม่เห็นถ้ามองเห็นก็คือพระพุทธองค์บอกว่ามีแต่จะชำระกิเลสภายในใจออกกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันกลิ่นพาเตะใจของเราเนี่ยให้ไปในภพภูมิต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดนั่นนะถ้าว่าเราสกัด กิเลสตาคะโทสะโมหะออกจากจิตใจใจตัวนี้ก่อนหยุดการหมุนเวียนว่าตัดกงล้อกมเกวียนสต็อปใจของเราสต็อปหยุดจะไม่หมุนไปในอนาคตถ้าว่าพวกเรายังปล่อยไปตามกองล้อกมเกรียนอยู่ใจของเราก็จะไปเรื่อยเรืยเหมือนกับอะไรอาลมตุงปองเอง ขวดน้ำหรือ ว, ว่าอะไรอยู่ในทะเลนั่นนะไปตามคลื่นเนะีเ่ยไม่รู้ไปที่ไหนไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้ว่ามันจะไปในทิศทางใดไปของมันอยู่เรื่อยนะ อ, อยู่ใจของเราแต่ถ้าว่าพวกเราสกัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแล้วใจของเราหยุดหมนุนแล้วว่า ที่จะทำให้หมุนไปในภายภาคหน้านะั้นหมดแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านาแนะนวทางให้สำหรับพวกเรานิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังศุนอย่างศูนย์ก็คือศูนย์เชื้อที่จะทำให้ใจดรงนั้นไปเกิดในภพภูมิต่าง ศูนย์นะศูนย์นะศูนย์คอตัวที่จะทำให้ไปพาไปเกิดนะศูนย์มันหมดไปจากพระไทยท้่ใจของผู้ที่ท่านเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคณะสัตธ า, าติโยมเรื่องปีใหม่ปีเก่าบางทีก็นะสวดมนต์ปีใหม่ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีมันก็ดี หลวงพ่อก็เห็นด้วยสวดไปเถอะทักสวดให้ข้ามภพข้ามชาติยิ่งดียิ่งดีใหญ่ใอ้อสวดให้หมดกิเลสให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นเป็นพระรหันต์อันนั้นแปว่าสวดข้ามภพข้ามชาติเพียงแตสวดข้ามปีเฉยๆเนี่ยมันยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะเกิดปีหน้าเอง เ, ออเกิดกศ แก่เจ็บตายก็ยังมีอีกอยู่ตามไปอีกอยู่นะไม่มีที่สิ้นสุดปีหน้าก็สวดอีกออคข้ายประทังประทังไว้เท่นั้นนะถ้าว่าสวดข้ามภพขัน้นข้ามชาติอันนั้นเลิศประเสริฐกว่าแต่ว่าไม่สวดเเลยก็ไม่ดีเหมือนกันนะคห้ใครว่าไม่ได้สนใจอะไรอะไรเลยไม่ให้ความสำคัญอะไรเลยอะไรเลยมันก็ไม่ดีเหมือนกัน อยู่แบบชังกระตายไปเรื่อยๆอไม่มีจุดหมายปลายทางอันนั้นก็ไม่ดีแต่การประกอบคุณงามความดีดีไหมก็ดีอย่างน้อยก่อนรล ะ, ละลึกถึงคุณงามความดี เ, เมื่อใจของเราจะขาดเราก็จะระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้กระทําเอาไว้เราก็จะมีที่เกาะที่เกาะที่พึ่งที่พึ่งพาอาศัยเพราะพึ่งเราไม่ได้พึ่งพาอาศัยอะไรนะ ใจของเรานะ่ยพึ่งพาอาศัยบุญนะพึ่งพาอาศัยคุณงามความดีพึ่งพาอาศัยบุญเอถ้าว่าเราไม่มีพึ่งพาไม่มีบุญพึ่งพาอาศัยใจของเราก็พึ่งพาอาศัยบาปาบาปจะมีแต่พาไปสู่ทุกขติย่งเหมือนกับคนทําชั่วนะเอคนทําชั่วถ้าจะดีได้ยังไงมีแต่เข้าคุกเข้าตารางไปเรื่อยถล่มลึกไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะชั่วนะ เมื่อชั่วแล้วก็มีแต่ไปทางต่ำดีมีแต่ไปทางสูงเพราะฉะนั้นในพวกเราประกอบคุณงามความดีให้ไปทางสูงไว้นะดีที่สุดนะเกิดมาได้ทั้งทีได้พบพระพุทธศาสนาให้พวกเราได้ใช้สติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดให้รอบคอบนะแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงานะ ทําคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนอ่านศึกษาแล้วก็ให้ฝึกวินิจวิเคราะห์และก็ปรับปรุงกายใจของเราให้ไปในทางที่ถูกต้องให้ไปในทางที่เป็นธรรมเป็นเครื่องยึดทางด้านจิตใจถ้านอกจากนั้นไม่มีนะนอกจากนั้นไม่มีไปยึดความชั่วมีแต่กิผภายถ้ายึดทางดีแล้วมีแต่ความเจริญ เราจะเอาทางไหนมันมีสองทางเท่านั้นดีกับชั่วอะ <c oughs> ตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร